การที่เราจะเชื่อหรือว่าศรัท ธ, ธาสิ่งใดก็แล้วแต่เนาะมันต้องมีมีปัญญาปัญญาคือความที่เราเข้าใจหรือว่าความที่เราตระหนักหรือว่าการที่เราได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันเป็นจริงตามนั้นะนะมันถึงมันถึงควรที่จะศรัท ธ, ธาหรือว่า คนที่จะเชื่อไม่ควรเชื่อโดยการแค่เหมือนใคลยๆเอาเอาอาดีตเนาะเอาอาดีตมาเป็นตัวตัดสินอดีตอาจจะเป็นคนเขาทําทํากันหรือว่าเราเคยทําเราคิดอย่างนั้นอย่า ง, งนะี้ถ้าจะว่า ง, ง่ายๆคือเราเอาอาดีต ท, ที่เป็นชุดประสบการณ์เก่าๆนะี่ เอามาสรุปนะหรือว่าบางทีเราก็เป็นบางอย่างเราก็ไม่แน่ใจหรอกหรือว่าบางอย่างเราก็ไม่รู้เราก็ถือว่าเป็นการคาดคนะเนพิจรารณาคาดคะเนเอาว่ามันน่าจะดีมันมั่นมันน่าจะถูกมันน่าจะใช่นะแล้วเราก็เลยห่งเชื่อแต่พระพุทธเจ้าท่านเน้นว่าเราต้องพิสูจน์ดูว่า การกระทําสิ่งต่างๆเนี่ยมันทำแล้วจิตใจมันเป็นอย่างไรนะจิตใจมันทุกข์หรืจิตใจมันสุขจิตใจนะมันเป็นตัวที่จะบ่งบอกได้ว่าการกระทํานั้นๆนะมันควรทําหรือเปล่านะทำไปแล้วมันกุศลมันเกิดหรือทําไปแล้ว อคุศลเกิดทำไปแล้วมันเป็นโทษหรือว่ามันไม่เป็นโทษให้พวกนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้เนี่ยได้เกิดความศรัทธาที่มันมันมั่นคงขึ้นเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าการกระทำนั้นๆเนี่ยมันถ้าการกระทำนั้นๆเนาะมันก็เป็นประโยชน์มันเป็นคุณไม่เป็นโทษาการกระทำนั้นๆมัน มีแต่เพิ่มกุศลมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยหรือการกระทำนั้นๆมันก็มันเป็นไปเพื่อความพ้นจากความทุกข์เนาะนนมันก็ควรทำม่นนะถ้าทั้งสามส่วนประกอบกันนะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันไม่ทุกมันเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์น่ะไม่เกิดโทษแล้วมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เป็นกุศลเป็นความดีเป็นสิ่งที่ควรทำ นี่คือการกระทำอะไระเราดูเราก็ควรทำเช่นนั้นเนาะใช่ั้ยในชีวิตประจําวันของเร า, าอย่างเช่นการภาวนาเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนเนาะเวลาเราภาวนาเนี่ยมันก็ไม่เกิดโทษอะไรนะมันมีแต่ละอกุศลเจริญกุศลขึ้นไปแล้วก็มันมีแต่ละทุกนะมีแต่ลดทุก แล้วก็ถ้าทำถึงที่สุดก็คือไม่มีทุกข์นะเนี่ยน่การภาวนานี่มันเป็นสิ่งที่ครบเลยนะถ้าเราทำจริงๆทําทำอย่างต่อเนื่องนะมันก็จะได้ผลเช่นนั้นอันนี้คือการภาวนานี่เป็นถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนบางทีมันเหมือนน้ำธรรมดาเนาะมันเหมือนน้ำเปล่าน้ำธรรมดาเนี่ยมันมีมันมีแต่คุณไม่มีแต่ประโยชน์ ไม่ได้มีโทษแอบแฝงมันบางทีมันต่างจากน้ำหวานน้ำอัดเช่นน้ำอัดลมแบบนี้เนาะตอนกินมันก็รู้สึกมันรู้สึกซาบซารู้สึกมีความสุขรู้สึกชอบแต่มันอาจจะไปกัดกระดูกหรือว่าอาจจะเป็นเพิ่มน้ําตาลในเลือดหรือว่าถ้ามันจะคํานวณไปอีกเยอะแยะมากมายเนาะ ระบบอุตสาหกรรมที่ต้องผลิตเรื่องพวกนี้มันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติใช้อะไรต่างๆอีกหลายอย่างซึ่งมันก็สิ้นเปลืองออกไปถามว่ามันมีคุณบ้างไหมมันก็มีคุณอยู่บ้างแต่มันก็มีโทษเจือไปด้วยหลายอย่างอันนี้เปรียบเทียบเอาง่ายง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องกินหรือไม่กินอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ บางทีบางอย่างมันก็บางอย่างมันก็เป็นเหมือนเหรียญสองด้านเนาะนมีทั้งคุณมีทั้งโทษหรือบางอย่างมันก็บางทีเราทำอะไรบางอย่างเนาะที่เราคิดว่าเราทำเพื่อความถูกต้องนะมันเป็นเรื่องที่ถูกแต่บางทีมันก็เป็นเหรียญสองด้านเหมือนกันแหะนะเราทำเราคิดว่าเราทำด้วยความถูก แต่เราก็ทําด้วยความทุกข์เราคิดว่ามันเป็นเป็นประโยชน์ต่องานแต่มันเป็นโทษต่อตัวเราเองหรือว่าเพื่อนร่วมงานบางทีมันก็มันคือหลายๆอย่างถ้าเราทาเพียงแค่ความถูกต้องแต่ไม่ได้ทําด้วยความถูกธรรมเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์แค่บางส่วนแต่มันก็มีโทษอีกหลายอย่างที่มัน มันตามมาด้วยใช่ไหเหมือนเราอยากจะกินอะไรที่เราคิดว่ามันถูกปากมันถูกใจนะเราก็กินไปด้วยความ อ, อร่อยแล้วก็ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะใช่ไมเช่นเช่นบางคนชอบกินอะไรก็แล้วแต่ที่อย่างเช่นทุตเรียนอย่างี้มันก็หลายคนก็ชอบแต่ถ้ากินมากเกินไปใช่ไหย มันก็อาจจะเกิดความอาการร้อนในหรือบางคนมีน้ําตาลในเลือดเยอะๆแล้วนะ่ะกินเข้าไปก็เบาหวานก็ขึ้นนะแต่ถ้าคนรู้จักยับยั้งชั่งใจเออกินแค่พอประมาณรู้ว่าตัวเองถ้าตัเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานก็นะ่ะควรกินแต่น้อยหรือว่าถ้ารู้ว่านั่นก็ไม่ควรกินเลยนะ หรือบางคนอ้วนอยู่แล้วไขมันเยอะอยู่แล้วไปกินเข้าไปเอกก็ยิ่งมากขึ้นแต่บางคนก็ร่างกายเผาผ่านพลังงานได้ดีอ่ะก็กินกินได้เยอะกว่าคนอื่นหน่อยคือมันก็บางทีการที่เราเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสูตรตายตัวว่าเราทําได้เท่านี้หรือว่าทําไม่ได้ต่างๆหรอ แต่มันเป็นการที่เรารู้จักตัวเองนะประเด็นสำคัญคือเรารู้จักตัวเองว่าถ้าการกระทำนั้นๆเราทำแล้วมันเกิดทุกข์ไหมนะหรือว่ามไม่ทุกขนะ์มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไหมหรือว่ามันไม่ได้เป็นประโยชนนะ์ทำไปแล้วมันเกิดคุณหรือเกิดโทษเนะี่ยเราก็ต้องดู แต่ถ้าเรามีธรรมนะมีธรรมะมีสติปัญญาเข้ามาประกอบในการกระทํำนะการกระทํานั้นๆน่นนะมันก็ถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์เนี่ยอย่างแรกที่ชัดเจนมากคือมันไม่ทุกข์นะแล้วก็ไม่เกิดโทษนะไม่เกิดโทษต่อตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าพอเราทําไปแล้วมันไม่ทุกข์ใจนะ เราก็มีความสุขใจนะไม่ตำหนิตัวเองนะมันก็เราเองก็ไม่ทุกข์แล้วก็มันเป็นคุณแล้วก็ทำแล้วไปแล้วมันก็เกิดกุศลในจิตนะจิตเราก็มีความสุขนะมีความสงบตามมาในขณะที่ทำหรือว่าคอยคิดถึงสิ่งที่ทำนั้นก็รู้สึกเออรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมา แต่ถ้าการกระทำถ้าเราทำด้วยความขาดสติขนาดที่ทำเองก็ทุกขนาดที่ทำไปแล้วเนาะมันก็คอยคิดถึงอีกมันก็ยังทุกข์อีกผลมันบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นบางอย่างแนละ้วมันผลลัพธ์เฉพาะหน้าเนี่ยมันอาจจะได้รับการสนองอย่างที่เราต้องการแต่มันอาจจะไม่ใช่ อ่เป็นคุณในระยะยาวมันต้องมองให้มันรอบด้านแล้วก็มองระยะยาวด้วยนะมันก็มีคำว่าอย่างบางทีถึงเรื่องการพัฒนาแนี้เขาก็ยังใช้คาว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะบางทีถ้าเราพัฒนาเพียงแค่แบบเราอยากจะได้ให้มันเสร็จเร็วๆหรือว่ากหนองความต้องการของรุ่นพวกเราเนี่ยนะ แต่รุ่นลูกรุ่นรานรุ่นถัดถัดไปเนี่ยเขาก็ย่อยยับเพราะว่าการที่เราถลุงใช้ใช้ทรัพยากรมาก่อนเนี่ยโลกนี้มันก็วินาศไปเพราะว่ามันพัฒนาอย่างไม่ยั่งยืนเนาะชีวิตของเราก็เหมือนกันนะบางทีเราใช้ชีวิตอย่างรีบร้อนหรือว่าเร่งรีบหรือว่ายึดติดในหลายๆอย่าง บางทีมันในแต่ละขณะบางทีมันก็อาจจะดูสำเร็จผลเราสามารถจัดการควบคุมคอนโทรลสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้งานนั้นมันสำเร็จหรือว่าเพื่อแก้ปัญหานั้นให้ให้เคลียร์ได้แต่บางทีมันก็ไม่ใช่ยั่งยืนเพราะว่าอะไรเพราะบางที แล้วถ้าเราทําด้วยความเครียดทาด้วยความโกรธจิตใจของเราเองขณะที่ทําก็ทุกหรือว่าผลหลังจากที่ทําแล้วมันก็ส่งผลทุกขตามมาต่อนะแล้วก็บางทีปัญหามันก็เป็นเหมือน ก, กันแค่เป็นการแก้เฉพาะหน้าเนาะแต่มันไม่ใช่เป็นการที่มันจะเกิดความยั่งยืนนะที่จะไม่เกิดปัญหาคําซ้อนออกไปเรื่อยๆ อันนี้ทีเราเราก็ต้องดูนะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องทําแบบไหนแต่ถ้าเราสังเกตขณะที่ทําเรารู้สึกตัวเรารู้ทันกายรู้ทันใจของเราอยู่เนะี่ยการกระทํานั้นนัน้มันจะมีสติปัญญาเข้ามาประกอบแล้วเราก็จะรู้เองแหละว่าควรจะต้องทําระดับไหนหรือว่าไม่ไม่ควรทําอะไรบ้างอันนี้การกระทําเนาะ รวมทั้งแม้การกระทานั้นๆเราจะว่ามีสติมีปัญญาดีที่สุดแล้วนะแต่มันก็ยังต้องมีการเผื่อใจนะเผื่อใจคือยอมรับผลของการกระทานั้นๆด้วยนะบางทีทำไปแล้วเราว่ามันดีที่สุดนะบริสุทธิ์ดีแล้วแหละนะแต่ผลมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดก็ได้นะ หือที่จริงโลกกระทำเนาะมันก็เป็นเรื่องของโลกนะบางทีเราทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็มีคนพอใจก็มีหลายคนก็ไม่พอใจเ น, นีเราก็ต้องมีสติรู้ทันใจเราว่าเราหลงหรือเปล่าเวลาคนเขาพอใจเขาชื่นชมเราเราทุกข์ไหมเวลาคนเขาตําหนิเขานินทาเรา เพราะการที่เราเกี่ยวข้องกับโรคเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยมันเห็นว่ามันดิกเลี่ยงไม่ได้เลยน ะ, นะคนที่จะเข้าใจหรือคนที่จะไม่เข้าใจเราคนที่จะนินทาหรือคนที่จะสรรเสริญมันมีคู่โลกอยู่แล้วนะมันมีคู่อันนั้นถ้าเราจะทำอะไรถ้าเราพิจารณาดีแล้วเนี่ย น, นั่นคือสิ่งที่เราได้ตัดสินใจที่จะทำลงไป แล้วก็เมื่อได้ทําอะไรลงไปแล้วนะผลที่มันตามมามันจะเป็นเช่นไรนะเราก็สามารถที่จะรับมือกับมันได้นะก็คือยอมรับผลมันได้อันนี้เรียกว่าเราทําอย่างเรียกว่ามีสติแล้วก็มีมีปัญญามากํากับนะในชีวิตแล้วถ้าเราก็ดูแบบนี้แหละนะบางทีในชีวิต มันก็เจอเรื่องพวกนี้เยอะแยะมากมายนะแต่ปัญหาของคนที่ทุกข์ใจก็คือความยึดมั่นถือมั่นนะถ้ า, าภาษาพระเรียกว่าอุปท า, านถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ในเรื่องใดในบุคคลใดในสิ่งของใดนะว่ามันเป็นว่ามันเป็นเราว่ามันเป็นของของเรานะ ว่มันเป็นตัวตนของเราเนี่ยไอต้ตนไอ้ตัวเนี้ยระวังเลยยิ่งยึดมากก็ยิ่งจะทุกมากเนาะเช่นเรายึดว่าอันนี้คืองานของเราเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับงานนี้ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะทุกมากใช่ไหมอันนี้คือคนที่เรารักนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เรารักมากๆน เราก็ทุกมากอหรือถ้ามันดีเราก็พอยสุขมากตามไปด้วยหรืออะไรที่เรายึดว่าเป็นวัตถุของของเราเนี่ยถ้ามันเกิดหายถ้ามันเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันว่าเรายึดมันมากเนี่ยมันก็ทุกมากใช่ไหมนั้นปัญหาจริงๆคือคือการยึดมั่นถือมั่นนะ พอเรายึดอะไรมากไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือไม่ว่าจะเป็นงานการหรือว่าหรือาบางอย่างมันเป็นนามธรรมเนาะมันเป็นความถูกต้องมันเป็นความดีงามมันเป็นสิ่งที่อะไรต่างๆนะแล้วแต่เราจะคิดเอาแต่เรายึดมากนะมันก็ทุกมากนะอืม สังเกตดีๆเวลาเรายึดอะไรมากๆเนี่ยมันทุบแต่จะทํายังไงล่ะมันก็ควรจะมีหลักใช่ไหมเนีมันมีหลักได้นะแต่เราไม่ยึดน่ยมันมันต่างกันนะมันเหมือนคล้ายๆเราใช้นะเราทําแต่เราก็วางมันเป็นนะเราวางมันเป็นเหมือนเรารู้ว่ามีดเนี่ยมันเป็นมันเป็นของมีคม เราใช้มีดนะหั่นผักเราใช้มีดตัดสิ่งของเวลาที่จำเป็นใช้เสร็จก็วางเพราะถ้าเราถือมีดอยู่ตลอดเวลาเนาะบางทีถ้าเราถือมีดนอนไปด้วยเนะี่ยไม่รู้ตื่นขึ้นมาจะมีแผลหรือเปล่าไม่รูนนะนเราถือมีดเดินไปด้วยเนะนี่ยถ้าเราเกิดสะดุดหกหกลม้มอาจจะมีดตนะัวนั้นอาจจะแทงเรา หือเราอาจจะเผลอเวียงถูกคนอื่นหรือที่จริงขนาดที่ถือนะเราก็ระวังอย่างดีไอ้ขณะที่เราะวังน่ะถามว่ามันทุกไหมมันทุกใช่ไหมดังนั้นจะเป็นความถูกต้องจะเป็นความดีงามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนา ะ, นะเราสามารถใช้มันได้นะแต่เราก็ต้องวางมันให้ได้ด้วยเ <c oughs> พราะถ้าเรา ไม่รู้จักใช้มันนะให้เป็นแล้วก็ไม่รู้จักวางมันให้เป็นเนี่ยมันก็จะทุกข์ทั้งขนาดที่ทำทุกข์ขนาดที่ดังจากทำไปด้วยนั้นการกระทำต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันเนาะมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจเพราะความยึดมั่นถือมั่นนะแต่มันจะเกิดการปล่อยวางนะ เราใช้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆให้เป็นนะแต่เราก็วางมันเป็นด้วยเนี่ยการเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้ก็เหมือนกันเนาะถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นร่างกายของเราเนาะพอมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บพอมันจะตายเนี่ยถ้าเรายังคิดว่ามันเป็นมันเป็นของของเราเนี่เป็นสิ่งที่เราห่วงแห็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันสลายไม่อยากให้มันตายเนี่ย มันก็ทุกมากนะแต่ถ้าเรามองมันจริงว่าร่างกายมันก็เป็นอนัตตานะร่างกายมันก็เป็นอนิจจังร่างกายมันก็เป็นทุกขังเราก็เหมือนมาใช้เขาเรามาเราก็ใช้เขามาหลายสิบปีแล้วนะมันก็ย่อมผุมันก็ย่อมพังมันก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดานะมันจะตายมันจะป่วยมันก็ ถ้ามันพอเยียวยาได้เราก็เยียวยาถ้ามันเกินเยียวยาแล้วมันก็ต้องวางใจให้มันยอมรับความจริงให้ได้นี่ถ้าเราถ้าเราเห็นว่าเออเราเราได้ใช้ร่างกายนี้มาพอสมควรละแต่ถ้าร่างกายนี้มันจะเป็นโรคเป็นภัยเป็นอะไรขึ้นมามันก็มันก็ยอมรับได้ว่าเออมันก็มันเป็นเรื่องที่มันอีกเรื่องไม่ได้เนาะ มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แต่เราที่เจอคนเดียวนะคนอื่นก็เจอแต่ถ้าเรายึดมั่นมากเรายึดมั่นในร่างกายนี้ก็ดีเช่นไม่อยากให้มันตายเร็วๆนะ่ะไอ้ความไม่อยากตายนั่นแหละมันทำให้เกิดความทุกข์ใจนะเพราะที่จริงมันทุกข์ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตายนั่นแหละมันทุกข์เพราะมันไม่อยากมันยังไม่ตายเลยนะมันมันทุกข์แล้ว หรือบาทีทุกเพราะเพราะไม่ยอมรับความจริงเช่นเช่นเราป่วยหนักนะแล้วเราก็ไม่อยากไม่อยากเป็นมันเนะี่ยทุกเพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบาทีนะทุกมันมีสองแบบนะ่ทุกอย่างหนึ่งคือทุกไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันทุกอีกแบบหนึ่งคือทุกที่ไปกังวล ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตแต่บางทีมันก็มีทุกข์อีกแบบหนึ่งนะเช่นเราไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยทุกข์ใจมันก็ทุกข์อีกละแต่มันก็เนื่องด้วยความยึดมั่นถือมั่นนะในเรื่องของที่จริงถ้าจะว่าจริงๆนะก็เนื่องได้ร่างกายแล้วก็จิตใจนี่แหละนะถ้ามันไม่เนื่องได้ร่างกายหรือจิตใจนี่มันก็มันก็ไม่ทุกขนะ์เนาะ แต่มันก็ต้องเนื่องอะแหะเพราะว่าเราต้องเกี่ยวข้องแต่เราจะอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องอย่างไรแล้วใจมันไม่ทุกขนะ์อันนี้คือถ้าเรามีสตินะเราจะรู้จักใช้รู้จักวางแต่ถ้าเมื่ อ, อไรที่ขาดสติเนะี่ยมันไปนยึดตะพื้นตะพือหมดเลยนะนะยึดทั้งไอที่ดียึดทั้งที่ไม่ดีนะยึดทั้งที่ชอบยึดทั้งที่ไม่ชอบนะ มันจะแบบเหมือนคนเอาทุกอย่างนะแต่มันก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกเพราะบางเรื่องบางราวเนะี่ยเราก็ไม่ได้ว่าเราจะไปยึดนะถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นที่เราไม่ได้สนใจใยดีเนะี่ยหรือเป็นเรื่องอะไรบางอย่างเราไม่ได้อยู่ในความสนใจเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้ค่าไม่ให้ราคา แต่ถ้าเรื่องใดที่มันใกล้ตัวหรือว่าเป็นความสนใจเป็นภาระหน้าทีนะ่ที่เราคิดว่ามันเป็นของเราแต่จริงมันมันก็เป็นของเราแค่ส่วนเดียวนะแต่มันอาจจะเป็นของคนอื่นที่มาร่วมทำงานกับเราอีกเยอะแยะมากมายนะนะแต่เราก็คิดว่ามันเป็นของของเรานะเหมือนถ้าใครแบบในที่นี้อาจจะไม่ มีไม่กี่คนเนาะอนะที่อย่างเช่นใครเป็นพ่อเป็นแม่นะมีมีลูกนะโอ้ยิ่งเป็นแม่เนะี่ยยิ่งแบบรู้สึกว่าเราเป็นคนคลอดเข้าออกมาเองนะมันเหมือนเป็นของของเร า, าจริงจงนะเพราะว่ามันออกมาจากร่างกายของเรานะแต่จริงลูกกับแม่มันก็เป็นคนกัคนกันนะ้ตั้งแต่คลอดออกมานะหรือที่จริง ตั้งแต่ที่เขาอยู่ในคันเขาใช่เราจริงหรือเปล่าเขาเป็นร่างที่แยกออกมาจากเราจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะหัวใจเขาก็เต้นของเขาเองนแต่เพียงสิ่งต่างๆมันอวัยวะต่างๆเขาก็ทำงานของเขาเองแต่เพียงแต่ว่าเขาอยู่ข้างในในท้องของแม่เขาออกมาเขาก็เป็นตัวของเขาเอง ทั้งส่วนของร่างกายรวมทั้งจิตใจด้วยมันก็เป็นเรื่องของเขาเองทั้งนั้นเลยแต่คนที่เกี่ยวข้องเขาก็เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งที่ที่เรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่เหตุปัจจัยทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยถ้าเรามองความจริงเรื่องพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็เหมือนกันนะเราก็เป็นเพียงแค่คนหนึ่ง ที่ทำงานร่วมกับคนอีกอาจจะเป็นสองสามคนเป็นต้นไปหรือเป็นสิบคนเป็นร้อยคนอันนี้แหละถ้าเรามองความจริงแบบนี้แยกแยะแบบนี้ได้นะความทุกข์ใจมันก็จะไม่ตามมาแต่บางทีถ้าเรามองไม่เข้าใจเนี่ยบางทีเราจะไปคาดบังผลเลิศเนาะหรือว่าไปยึดไปยึดติด ดิสมั่นในผลที่เราอยากจะให้มันเกิดแต่ผลที่มันเราอยากจะให้มันเกิดเนี่ยบางทีมันมันเกี่ยวข้องกับคนอื่นอีกหลายอย่างหรืองทีมันก็เกี่ยวข้องกับอีกหลายเหตุปัจจัยมากซึ่งมันไม่สามารถที่จะกาหนดได้ทั้งหมดนะมันก็จะเป็นเรื่องที่มันก็อาจจะผิดหวังได้ง่ายเมื่อผิดหวังแล้วก็อาจจะทุกข์ใจไปได้ อันนี้คือเวลาเราทำงานนะเราก็ต้องวางใจให้มันเป็นวางใจให้มันดีนะแต่เราก็ทำอย่างเต็มที่ทำความเต็มความสามารถของเราเนี่แหละนะแต่สิ่งหนึ่งคือเราก็ต้องวางใจยอมรับผลด้วยนะหรือขณะที่ถ้าเราทำอย่างเต็มที่แต่เราก็ให้รู้เท่าทันใจเราเออว่า ทำอย่างมีสติทำแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะมันก็จะไม่เกิดความเครียดขณะที่ทำไม่เกิดความเครียดหลังจากทำไปด้วยเพราะว่าเราทำแล้วก็เราก็วางมันมันได้อันนี้มันรวมถึงนะในวิธีคิดในเรื่องการทำงานหรือการใช้ชีวิตเนะี่ยมันก็รวมถึงเวลาเรามาปฏิบัติธรรมในรูปแบบเหมือนกันนะ บางทีถ้าเราทําในรูปแบบถ้าเราไปบางทีเจดิตนิสัยเราเอาจริงเอาจังหรือว่าเราคาดบางผลเอมากเกินไปเนี่ยบางทีพอเราอยากทาในรูปแบบเราก็จะจริงจังเกินไปนะเราก็คิดว่าอย่างน้อยสองสามวันเนี่ยก่อนจะกลับต้องเอาอะไรให้ได้สักอย่างนึงนะมันมันจะเกิดความกดดันตัวเองนะไม่รู้จะเอาอะไรนะ วพาที่จริงนะสุดยอดธรรมะอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นะท่านบอกว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือทั้งกุศลทั้งอกุศล น, นะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อ ม, มันมีขึ้นแล้วก็ ก็วางมันซะวางไปหมดเลยเพราะที่จริงธรรมะที่จะว่าไปคือการปล่อยวางปล่อยวางทั้งอกุศลที่บางขณะเราก็เผลอคิดไม่ดีเผลอทําผิดพลาดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะเราไปย้อนกลับแก้ไม่ได้ก็วางมันซะคือวางใจวางใจไม่ไปคิดถึงมันนะ หรือถ้าจะคิดก็คิดในเชิงว่าจะปรับปรุงอย่างไรไม่ใช่คิดคิดโทษตำหนิตัวเองว่าเออไม่น่าทำอย่างนั้นเลยนะแล้วก็โดคิดแล้วก็เกิดความทุกข์ใจแต่ถ้าคิดก็คือคิดเพื่อที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะแต่จริงก็มันไม่ต้องคิดอะไรมากหรอมันก็แค่ดูว่าเออมันพลาดมันก็พอละนะก็ตั้งใจทาใหม่เนี่ยคืออดีตมันเป็นแบบนั้น เนี่ยคือแม้แต่กุศลเกิดขึ้นมานะแม้แต่เป็นความดีเนี่ยความถูกต้องถ้าเราทําแล้วเราก็ยังยึดไว้ถือไว้เนะี่ยมันก็จะแบบว่าเราดีนะเราเราดีเราเก่งเราแน่เราถูกนะมันก็จะมีคนอื่นมาเปรียบเทียบถ้าคนอื่นไม่เป็นอย่างมาตรฐานของเรามันก็มันจะมองว่าเขาเขาเลวเขาแย่ เขาผิดเขาไม่ดีนะพอมันมีเราเราดีเราไม่ดีเราถูกเขาผิดมันนะนะมันก็มันจะเกิดการไปเพ่งโทษแล้วก็ไปตำหนิคนอื่นไ่า ง, ง่ายแต่ถ้ามันเป็นเพียงแค่ความดีหรือว่าค ว, ความที่ควรแก้ไขความควรปรับปรุงนะเราก็จะบอกอย่าง อย่าไม่เอาตัวเราเป็นศูนย์กลางนะของเรื่องราวนะแต่เราก็บอกนะตามเหตุที่มันสมควรที่จะบอกนะแต่ไม่เอาตัวเราเป็นเป็นที่ตั้งในการในการบอกสิ่งต่างๆเนั้นอันนี้มันก็มันเป็นมันเป็นแนวทางนะที่เราควรที่จะพัฒนาไปว่าเราจะทำตัวอย่างไรให้มัน ให้มันถึงสภาวะตรงนั้นได้อย่างผมอาตมาเองก็คือเราก็เห็นโทษของตัวเองนะเวลาตอนแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนบวชเวลาทำงานเนี่ยเวลาใช้ชีวิตทั้งโลกบางทีมันก็มันก็เครียดนะเวลาเราทำแล้วเราก็ทำแบบเอาจริงเอาจังแม้ขนาดแค่ทำกิจกรรมหรือ แค่ทำอะไรต่างๆมันก็เหมือนเราทำด้วยความจริงจังแล้วก็เราก็ทำด้วยความคาดหวังผลสูงนะพอเวลาทำแล้วบางทีก็ทั้งสิ่งที่ทำมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่บางทีทำแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าเราจริงจังมันมากเกินไปอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง พ, พอเวลาเราจริงจังแล้วก็บกมุนกับตัวเองมากไปมันก็ ไม่ค่อยคิดถึงเพื่อนร่วมงานเราก็จะเหมือนทำแล้วก็เหมือนเอาความคิดมาฟาดฟันกันเนาะฉันคิดแบบนี้เธอคิดแบบนี้ฉันคิดถูกเธอคิดผิดฉันคิดดีเธอคิดไม่ดีอะไรแบบนะั้นมันก็จะไปเหมือนเหมือนแต่ละคนก็อาจจะมีมีดถือไว้แล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาก็อาจจะเฉียวชนกันนะเอาความคิดมา มาปะทะกันนะมาต่อสู้กันมันก็เหนื่อยกันทั้งคู่นะเหมือนเราแบบคล้ายๆเหมือนต่อสู้กันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะมันก็เหนื่อยกันด้วยกันทั้งคู่เลยนะเอาความคิดมาต่อสู้กันก็เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่หรือก็ทุกอีกแบบหนึ่งก็คือทุกข์ด้วยความคาดหวังเนี่ยอะไรนะเราทำไปแล้วมัน เราต้องการผลแบบนี้นะแต่ผลแบบนี้มันไม่เกิดเราก็เลยเกิดความทุกข์ใจเกนะเพราะว่าบางอย่างนี่มันก็มันเป็นความโง่เป็นความหลงของเราชัดเจนนะั่นแหละนะเช่นบางทีทางานเกี่ยวข้องกับสังคมนะเราคิดว่าเราทำแค่เนี้ยมันต้องเกิดผลที่มันเปลี่ยนแปลงสังคมภายในยในเวลาไม่กี่ เดือนไม่กี่ปีแต่จริงมันเป็นความโง่ของเราที่เราไปคาดหวังผลสูงเกินไปเองเนี่ยแหละอันนี้คือมันเป็นความทุกข์นะเวลาคนที่ทํางานด้วยความจริงจังเคร่งเครียดแล้วก็ยึดมั่นมากเกินไปแต่พอได้มาฝึกปฏิบัติธรรมมากขึ้นมันมันทํำให้เราเห็นว่าที่จริงมันทุกข์นะ จิตที่มันไปยึดตรงนั้นแหะมันทุกข์มันทุกข์บางอย่างทุกข์พร้อมกับความโกรธได้นะโกรธไม่พอใจแต่ถ้าเมื่อไใ่ที่เรามีสติเห็นนะความโกรธมันก็จะหายไปต่อหน้าต่อตาได้แล้วมันจะเห็นอะไรเห็นความตลกของตัวเองเห็นความตลกของของจิตที่เมื่อกี้มันทําไมมัน มันบ้าขนาดนั้นเนาะทำไมันเครียดขนาดนั้นทำไมมันโกรธขนาดนั้นเนาะแต่พอสติมันเห็นปั๊บทันทีนะความโกรธมันหายไปเอ้าความโกรธมันเป็นตัวตนที่ไหนเมื่อกี้เรายึดมั่นมันไว้อย่างดีนะพอแค่สติเห็นรู้ทันตัวเองจริงมันหายไปไหนไม่รู้เลยอ่มันเหมือนมันเหมือนแต่ก่อนเราเห็นว่าสมมติคล้ายๆเหมือน เราอยู่กับคนทุกคนหนึ่งนะเราคิดว่าคนคนนั้นมันเป็นตัวตนจริงๆในโลกของเรานะแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นก็หายไปเนะี่ยมันเหมือนเอา้าเราอยู่คนเดียวไอ้คนนั้นที่อยู่กับเราหายไปไหนวะอะไรเนะี้ยอันนั้นก็เหมือนกันนะบางทีอารมณ์นะเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราจริงๆนะเขาเป็น หรือบทีเราคิดว่ามันเป็นเราจริงๆนั่นแหละแต่พอเห็นว่ามันมันสามารถสลายหายไปได้เนี่ยมันจะรู้สึกเออเราดนดอกให้ยึดไวนะ้โดนดอกให้เรายึดความเชื่อยึดความคิดยึดอารมณ์ว่าเป็นเราจริงๆเนาะนั้นปัญหาจริงๆนะการภาวนาคือ ทำอย่างไรเราจะเห็นว่าเป็นเพียงแค่อาการไม่ได้เห็นว่าเป็นเราจริงๆนะด้านกายนี้ก็เหมือนกันนะเราเห็นเป็นเพียงแค่เป็นรูปนะเป็นสิ่งที่อาศัยเป็นสิ่งที่รู้จักใช้ประโยชน์นะไม่ได้เอารูปมาทำให้เกิดโทษอันนี้อย่างที่หนึ่งถ้าเป็นเรื่องของนามธรรมเนี่ยเราก็ต้องมีสติปัญญาให้เห็นว่า ไม่ว่าจะอารมณ์ใดก็ดีไม่ว่าจะเป็นความคิดใดก็ดีความรู้สึกใดก็ดีนะมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงขณะจิตเท่านั้นแต่ถ้าเราหลงนะเราจะหลงไปยึดว่าอันนี้คือความคิดของเราอันนี้คืออารมณ์ของเราอันนี้คือชั้นสุขชั้นทุกขนะ์ชั้นชอบชั้นไม่ชอบ ฉันคิดอย่างนี้นะอะไรนะมันเป็นการยืนยันเอาตัวตนของเราเข้าไปอยู่ในในนามธรรมตรงนั้นแต่ถ้าเราเห็นว่าเอ้มันเป็นเพียงแค่อาการหนึ่งนะของจิตใจนะมันจะมันจะไม่หลงไปยึดต อ, อกนะมันเหมือนคล้ายๆอากาศนะเราก็รู้ว่าเป็นอากาศเราจะไปหยิบไปคว้ามันหรือเปล่านะ ก็อยู่เฉยๆนี่แหละแต่เราก็รู้สึกนะอย่างเช่นตอนนี้อากาศเย็นนะเราก็รู้สึกว่าอากาศเย็นก็แค่รู้สึกแต่ไม่ต้องแต่ถ้าเราหลงนะเราก็จะเหมือนไปยึดไปหยิบไปจับมันไวใน้ในในอากาศที่เย็นหรือกลางวันอากาศมันร้อนเราก็แค่เราก็แค่รู้สึกว่ามันร้อนนะแต่เราไม่ต้องไปยึดมันว่ายึดไว้ว่า มันคือความร้อนของฉันบางทีมันก็เหมือนอารมณ์ในใจของเรานะเวลาเราเย็นใจเราสุขใจเนะี่ยเราก็อยากจะยึดไว้หรือเวลาเราทุกข์ใจนะเราก็อยากจะคล้ายๆเอามันออกไปก็คือเราต้องไปคว้าวมันหยิบมันออกไปแต่จริงก็คือการไปยึดไว้ยึดว่าเราทุกข์นยยึดว่าเราโกรธยึดว่าเราเสียใจ ยึดว่าเราคิดไม่ดีเนี่ยยึดว่าเราเคยทำไม่ดีที่จริงมันเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยนะสมมุติที่มันเกิดขึ้นไปแล้วสมมุติที่มันยังไม่เกิดขึ้นปัจจุบันจริงๆเนี่ยเราคนกลับมาดูว่าตอนนี้ร่างกายมันทำอะไรนะการแก้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันแก้มันแก้ปัญหาทุกอย่างได้เลยนะ การที่ไปแบกเรื่องอดีตก็ดีการที่ไปกงังวลเรื่องอน า, าคตก็ดีเนี่ยมันวางไปเลยวางไปเลยแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันการกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนเราทําทีใดอย่างทําเฉพาะหน้าทําอย่างมีสติอย่างดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นต้องแบบไปแบกลหลายๆอย่างมาทําพร้อมกันแม้บางชีในชีวิตจริงเราอาจจะมีอะไรบบหลายอย่างที่มันเหมือนจะทำพร้อมพร้อมกัน ในช่วงเวลาใกล้กันนะแต่จริงเราก็ทำได้ทีละขณะเท่านั้นขนาดที่ฟังนะขณะที่ฟั ง, นะฟงลราก็มีสติในการฟังนะขนาดที่พูดเราก็ตั้งใจพูดขนาดที่อ่านเราก็ตั้งใจอ่านนะขนาดที่คิดเราก็ตั้งใจคิดมันเป็นทีละขณะนะอาศัยความตั้งใจนะก็คือ ความตั้งใจคือใส่ใจนะมีสมาธิมีสติในแต่ละขณะเนี่ยทาไปทีละขณะเนี่ยมันก็จบทีละขณะนะทาเสร็จแล้วก็วางทําเสร็จแล้วก็วางไปทำยันใหม่เนียเหมือนใจเราไปสนใจทีละขณะนะีสนใจแล้วก็วางไปสนใจแล้วก็วางไปนะแต่ถ้าเรื่องที่มันทําไปแล้วมันย้อนกลับมาเข้ามาคิดใครควร อ, อีกแอแฝงว่าหลงไปแล้วเนาะนะหลงไปแล้วเช่นเมื่อกี้ พูดไปแล้วเออมันพูดไม่ดีว่ะไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยเอา้ามันกลับมาคิดอีกแล้วอ่ะวางมันไปนเราวางอารมณ์นะแต่เราอาจจะเก็บที่ความรู้เข้าใจไหมเช่นเวลาเราทำอะไรผิดพลาดไปเออพอเราพอมันย้อนกลับมาคิดเนะี่ยเออเรารู้แล้วว่าข้อผิดพลาดมันคืออย่างนีน้ไอ้สิ่งที่เราเก็บคือคือ ความรู้ในเชิงในเชิงสิ่งที่ควรแก้ไขสิ่งที่ไม่ควรทำอีกเออเก็บแบบนั้นได้แต่ปัญหาคือบางทีเราไม่เก็บแค่นั้นเราไปเก็บอารมณ์ด้วย เ, ออเก็บเก็บแบบอารมณ์ที่มันเสียใจที่ทุกข์ใจไปด้วยอันนี้มันจะคือการที่เราไปเก็บมันเนาะเออรื่ออนาคตบางทีเราเกี่ยวข้องกับการงานเราก็ต้องวางแผนก่อน มันก็ไม่ได้เรื่องเสียหายถ้าเราตั้งใจที่จะวางแผนแต่บางทีเราก็วางแผนไปแล้วก็ฟุ้งซ่านไปกับความสุขที่คิดว่ามันน่าจะเกิดอย่างงั้นโอ้สุขใจก็ก็สุขกับจินตนาการที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงเนีน่คิดว่าจะได้ไปได้ไปกิน น, นั้นนะโอ้มันจะอร่อยมันจะมีความสุขคิดว่าได้ถ้าจะไปเที่ยวนั้นเออมันจะมีความสุขมากหรือบงทีคิดว่าถ้าเรา ได้ถึงนิพพานจริงๆนะโอ้คงจะสุขมากนะเอแต่จริงก็คือความคิดทั้งนั้นนะเอความคิดทั้งนั้นเราจะไปถึงจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้หรือบางทีเราก็ไปคิดถึงอนาคตก็กังวล น, นะไปทุกข์นะบางทีมันจะทุกข์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอะเรากลับไปเจอคนนี้บางทีเขาก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนนะมันก็อาจจะไม่ทุกข์อย่างที่เราคิดก็ได้เนี่ยคือถ้าเรา รู้เท่าทันนะเวลาเราวางแผนเราก็วางกิงแค่แผนแต่เราจะไม่เอาจิตไปปรุงแต่งว่ามันเอาอารมณ์ไปกังวลล่วงหน้าเนาะไม่ว่าจะเป็นความกังวลใจความทุกข์ใจกลัวอะไรต่างๆเข้ามาปนข้างหน้ามันจะตั้งสติอยู่กับปัจจุบันพอพอวางแผนเสร็จก็จบก็พอไม่ต้องไปคิดมากถ้ามันคิดมากเรื่องอนาคตก็ให้รู้ทันกเออ มันลงไปคิดว่ะอะมันลงไปคิดละก็กลับมาเลยให้เห็นเลยว่าพอเราตั้งใจทาไม่ว่าจะเป็นย้อนและลึกถึงอดีตที่ประมวลผลนะสระุปข้อผิดพลาดมันก็พอทาเสร็จก็จบหรือคิดวางแผนอนาคตพอคิดเสร็จก็จบอพอจบแล้วเรามาอยู่กับปัจจุบันถ้าจิตมันจะไปอดีตอีกจะไปอนาคตอีกเนี่ยแสดงว่ามันเป็นตัวรักคิดมันดงดนะ รูเลยวางเลยวางอารมณ์นั้นวางความคิดนั้นเลยนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นพอเนะี่ยลองดูลองให้สติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันบ่อยบนะถ้ารู้อารมณ์รู้ความคิดไม่ได้นะก็อย่าไปใส่ใจมันนะให้เข้าใจเลยว่ากำลังสติมันไม่พอให้กลับมาใส่ใจกายนะกลับมาดูกายนะกลับมาดูกายที่กำลังทำอยู่ หรือว่าขนาดแค่แก่มันทําอยู่มันก็ไม่ชัดไม่พอก็ก็ตั้งใจทําเข้ามาเสริมนะเขาจะตั้งใจหายใจเพิ่มตั้งใจพลิกมือนะตั้งใจอะไรแบบนนีะ้เข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มกําลังสติให้มันเพียงพอมันก็จะได้เข้าไปทําให้มันเกิดความตั้งมั่นทำให้เกิดมันไม่ไหลเข้าไปในอารมณ์นั้นๆนนะทำให้ออกจากอารมณ์ได้อันนี้คือ เราก็ต้องอาศัยตรงเนี้ยเข้ามาเพิ่มด้วยอันนี้แหละลองทําดูเนาะก็อย่าพึ่งเชื่อแล้วก็อย่าพึ่งปฏิเสธนะคําว่าอย่าพึ่งเชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเลยหรือว่าเชื่อเลยอะไนะคือพระพุทธเจ้าท่านสอนเราทุกอย่างเลยนะแม้แต่ศีลก็ไม่ใช่ข้อห้ามนะศีลคือข้อที่พึงศึกษา ลองศึกษาดูนะถ้าทําแล้วมันถ้ารักษาสศีลแล้วมันมันไม่ทุกหรือว่ามันทุกนยะลองดูนะทําไปแล้วมันเป็นโทษหรือไม่เป็นโทษนะลองดูนะทําไปแล้วมันมีคุณหรือไม่มีคุณลองดูสมาธิก็เหมือนกันการภาวนาก็เหมือนกันเนยะทําไปแล้วเป็นแบบไหนนะเราลองดูลองเอาไปใช้ดูได้วยนะนะ แต่สิ่งหนึ่งคําว่าลองดูเนี่ยบางทีมันก็ต้องระวังนะบางทีบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นผลแบบทําทันทีเนาะมันทำแล้วมันจะเห็นผลมันได้ผลทันทีบางทีคําว่าลองดูเนี่ยมันก็ต้องลองแบบพอสมควรเนาะให้เวลากับมันพอสมควรหน่อยอย่างเช่นภาวนาเนี่ยบางทีเรามาลองดูสักคอร์สหนึ่ง ถ้ามันดีก็จะทําต่อถ้ามันไม่ดีก็ไม่ทําละเลิกภาวานาละไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยบางทีก็อาจจะไม่ใช่นะหรือบางทีเราไปเราไปฟังพระสั่นเทศละดนะูแล้วแหละนะแต่มันก็ดางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้พระก็ไม่ใช่จะเทศถูกทุกคนทุกลู่ไปนะหรือบางทีถ้าอาจจะเทศถูกแต่เราคิดเราไม่เข้าใจเองก็มีนะเราเอาประสบการณ์ของเราไปคิดก็มี แต่เราจะเอาข้อคิดนี้ไปสรุปทุกเรื่องราวก็ไม่ใช่นะบางทีต้องระวังนะบางทีคําว่าให้ลองดูแล้วก็เชื่อประสบการณ์ตัวเองเ่ยมันก็เชื่อได้ให้ถ้าเราก็ต้องดูแบบด้วยใจเป็นกลางจริงๆนะด้วยความตระหนักรู้จริงๆแต่บางทีถ้าเราเชื่อประสบการณ์เรามากเกินไปนะบางทีมันก็อาจจะเป็นเหมือนบางทีก็ต้องระวังว่าสัญญาความจําได้ไมัยรู้หรือประสบการณ์ของเราอะ่ะ บางทีมันก็จะคลอยไปปรุงแต่งได้เร็วนะ อ, อ่บางคนมีประสบการณ์ทั้งโลกมีความเก่งชํานาญในเรื่องเฉพาะบางอย่างเนะี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างบางทีเราจรินตนาการความรู้เนี่ยมันจะมาหลอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนเลยแหละนะบางทีเราเห็นนั้นเป็นไปปรุงต่อละมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยที่ทั้งบางบางทีเราจะเห็นว่าพอไปเห็นจริงละมันเคยกลับมาตะกุกตัวเองไหมบางทีเ อ, อ มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่ะเนี่ย น, นะมันมันเป็นแบบนั้นจริงนะบางทีเราก็เผลอพูดออกไปแล้วก็เผลอคิดออกไปนะทั้งๆเราคิดว่ามันใช่แน่นอนแหละบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่ามันต้องเผลอใจนะถ้าคนมีสติจะเผลอใจอาจจะคิดแบบนั้นก็จริงแต่ก็เผลอใจไม่ไม่ไปเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นตออะไรแบบนั้นหรือถ้าใครถามความเขียนก็ก็พูดไปก็เผลอประมาณอาจจะเป็นประมาณนั่นแหละ แต่ไม่ใช่ว่าฟันธงว่าต้องค่อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเรื่องอนาคตเนี่ยใครไปกล้าฟันธงร้อยเป็นเนี่ยแปลว่าหลงไปยึดนะหลงไปยึดหลงไปเชื่อมันละนะมันจะเกิดขึ้นจริงไม่เกิดขึ้นจริงไม่มีใครรู้นะมั น, นมันก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนะนะก็อย่าไปยึดมันมากอันเนี้แหละเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องตระหนักก็ดูเนาะขอเข้าใจไหม ปูส่วนใหญ่เป็นนามธรรมเลยนะแต่มาว่าบางทีนามธรรมเนี่ยมันประสบการณ์ของแต่ละคนมันก็มีแตกต่างกันไปเนาะเอาไปมันก็จะไปซึมเข้าไปในในของเราเองอะไรนะเอเรามีประสบการณ์แบบไหนเรามีความเข้าใจมีความเชื่อแไหนมันก็เอาไปเรียนรู้เอาเองมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนก็มันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกัน แต่คนมันมีธรรมชาติเหมือนกันอย่างหนึ่งนะธรรมชาติคือธรรมชาติหลงธรรมชาติรู้เนั่นแหละเรามีธรรมชาติที่รู้ตัวเหมือนกันนี่ยถ้าแต่หลงก็อมันก็หลงได้เหมือนกันนั่นแหละนะถ้ามันไม่รู้ตัวนธรรมชาติของเราคือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะเราต้องมองแบบนี้เะยนะธรรมชาติคือเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เราจะทำยังไงถึงจะออกจากความทุกข์นะบางทีเราไปมองบางทีเราไปมองบางอย่างเนี่ย <S <S เขาทุกข์มากเลยแต่จริงก็ดืมมองว่าบางทีคนรอบข้างเขาก็ทุกข์เหมือนกันนะเราก็ไปแก้แต่ทุกข์ของเขาจนดืมว่าที่จริงคนรอบข้างเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์อย่างบางทีเราไปเช่นเมื่อเราไปกาหนดที่ว่าคนป่วยเนี่ยเขาเป็นคนทุกข์มากแต่จริง เราเองก็ทุกข์เหมือนกันนะเวลาเราไม่พอใจหรือเพื่อนร่วมงานเราเองเขาก็ทุกข์นะหรือญาติเองเขาก็ทุกข์นะทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งนั้นนะใช่ไหมหรือแม้แต่คนที่เรายึดมั่นว่าเออเวลาเราเห็นคนที่เราใกล้ตัวเราเขาทุกข์มากนะบางทีเราก็จะคิดถึงแต่เขาเป็นหักไปแทกคนอื่นไปเบียดคนอื่นไปรบกวนคนอื่นนะมากเกินไปเนี่ยเรามองเป็นเรื่อง ไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่บางคนก็มองว่าเรื่องควรทำเพราะว่าเราอยากจะทําให้คนนี้ก็มีความสุขอยากจะทำคนนี้เขาเขาไม่ทุกข์แต่จริงเราก็มองเพราะเรามองแต่มุมของเราจนดื่มว่าที่จริงคนอื่นเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันทําไมเราต้องเบียดเขาทําไมเราต้องไปแสกเขาทำไมเราต้องไปรบกวนเขาเนี่ยเราถ้าเรามองจริงๆนะเราจะมองจิตกําลังจะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เห็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะมันก็จะช่วยกันทํางไงถึงจะไม่ไปเบียดเบียนกันให้เกิดความทุกข์นะทำไงถึงจะช่วยกันให้พ้นจากความทุกข์ได้นะ่ะก็ช่วยกันนะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราก็เอาไปใช้ดูนะทั้งในการปฏิบัติธรรมในรูปแบบก็ดีรวมทั้งการการใช้ชีวิตประจําวันของเราก็ดีนะทำยังไง ถึงจะไม่ทุกข์ถึงจะลดความทุกข์ทำไงถึงจะเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่แท้จริงนะไม่ใช่เพียงแค่ประโยชน์ชั่วคราวหรือความสนุกชั่วคราวเท่านั้นทําไงถึงจะเป็นการไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นะก็ให้พวกเราเอาไปทําต่อไป